เรัตนวรคเจนิสีธนาสิขาบทว่าด้วยการทําผ้ารองนั่งเรื่องพระชาวพคี5้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่งสําหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุชาวพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่ง จึงใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดเมื่อปูบนเตียงบ้างบนต่างบ้างจึงห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าเช่นในพวกภิกษุชาวพคีจึงใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ